ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยรายการธรรมรับอรุณมาพบกับธรมาฟังเป็นประจำทุกวันในทุกวันพูดเป็นช่วงของใตร้ร่มพริิบน์ที่เราจะมาฝึกทาสมาธิกันสักครู่นึ่าธรรมาฟังเราจึงจะก็ยไปฟังหัวข้อแม่บทธรรมะวันนี้จะนำเสนอเรื่องของกิจที่ควรทาในอริยสัจทั้ง4ี่ นที่จะไปฟังในหัวข้อนั้นเรามาสงบจิตสงบใจทำจิตให้เป็นสมาธิวันนี้เราแผ่เมตตาตั้งฝังทั้งเมตตาด้วยทั้งกรุณาด้วยมุพิตาด้วยอุเบกขาด้วยเอาทีละอย่างวันนี้เริ่มจากอุเบกขาซะก่อนเริ่มจากอุเบกขาอุเบกขาคือความวางเฉย เราเริ่มต้นจากจิต ท, ที่เป็นสมาธิด้วยการกําหนดไว้อยู่ลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกให้มีสติอยู่กลมหายใจนั้นโดยไม่ต้องตามลมพอเราตั้งสติไว้แล้วจิตก็จะมีความสงบลงระงับลงเป็นอารมณ์เดียวจิต ท, ที่เป็นอารมณ์เดียวนี้เราให้ตั้งไว้ด้วยอุเบกขา อุเบกขาคือความวางเฉยหมายถึงสิ่งที่ชอบสิ่งที่ไม่ชอบมากระทบก็ตามก็วางเฉยได้นิ่งเฉยได้เปรียบเทียบกับว่า้านิ่งเฉยวางเฉยไม่ได้ก็คือลุ่มหลงเปลือยเปล่ามัวเมายินดีกำนัดพอใจหรือก็อยากเขีนเกลียดชังไม่พอใจด่าว่ากลับไปไม่ทางกายทางวาจาไม่ด่าไม่ว่า ไม่ชมไม่เหลืองทางใจไม่เกลียดไม่ขะยาะขแยงไม่กำนัดไม่ยินดีเฉยเฉยูเบีขาด้วยจิตแบบนี้แผ่ไปแผ่ไปในทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องหลังในทิศใหญ่สี่ทิศในทิศเฉียงสีทิศ เบื้องบนเบื้องล่างทั่วทุกทางให้กับสรปสัตทั้งหลายทั้งที่เห็นได้หรือมองไม่เห็นทั้งที่ตัวใหญ่หรือตัวเล็กมีเท้ามากหรือไม่มีเท้าทั้งที่เป็นกายทิพย์หรือกายยาบทั้งที่มีสุขหรือมีทุกข์อยู่ทั้งที่จะให้คุณหรือให้โทษกับเราเราแผ่ให้หมดกูเบกา ต่อไปตั้งจิตไว้ด้วยกับมุติตามุติตาหมายถึงความยินดีพอใจในสิ่งที่เขาพ้นจากความทุกข์หรือประสบความสุขนั้ น, น, นท่านประไว้เหมือนกับเวลาที่เราเจอญาติที่ห่างกันไปนานญาติอันเป็นที่รักไม่ได้เจอกันตั้งนานเจอกันแล้วเนี่ยโอ้ดีใจเจอกันแล้วเนี่ยแหมปลื้มใจ ผู้เธอยังสุขสบายดีเธอยังมีชีวิตดีเขามีความสุขอย่างไรเราก็ยินดีพอใจสบายใจในความสุขของเขาจิตที่เป็นแบบนี้คือมุติตาแผ่ไปตั้งบุฟังแผ่ไปแผ่ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้าย เบื้องบนและเบื้องหลังทั่วทุกทางทิศใหญ่สี่ทิศทิศเฉียงสี่ทิศแพลให้หมดไม่ว่าจะสัมภัสตที่เห็นได้หรือมองไม่เห็นตัวใหญ่หรือตัวเล็กมีคุณหรือมีโทษกับเราเป็นกายหยาบหรือกายละเอียดจะยังไงก็ตามก็แผลให้ต่อไปตั้งจิตไว้ด้วยกับกรุณา กรุณาหมายถึงความเห็นอกเห็นใจถ้าก็มีความทุกข์สิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เขาจะเจอทุกข์เนี่ยอืด้วยกรุศลนะ่ะปราถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์นั่นริเหมือนเวลาที่คุณเจอตีจะทำร้ายจะฆ่าใครหรือสัตว์ตัวไหนแล้วอึกขึ้นได้วะไม่ทำดีกว่างดดีกว่าให้เขาพ้นจากความทุกข์นี้เสียจะด่าคน ไม่ไดาดีกว่าให้เขาพ้นจากอุปสรรคคือคำด่านีเสียแพ้ไปด้วยจิตแบบนี้ตั้ฟังไปยังทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องลังทั่วทุกทางให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายยังไม่มีประมาณต่อไปตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตา เมตตาคือความรักความปรารถนาดีเปมนเปลือกใบเหมือนกับมารดาที่เพิ่งคลอดลูกคนแรกออกมาจะมีความรักความเมตตาความปรารถนาดีให้กับเด็กคนนั้นยังหาประมาทไม่ได้ให้เราตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาแตป่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลัง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 มูทิตากรุณาและเมตตาแปลไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายฉะนั้นกันก็ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขจงมีความเกษมจงมีความเจริญอ้าวละตั๋มบอฟังหลังจากที่เราได้ทำจิต ให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เรามาทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะที่ท่านใช้คำว่าแม่บทแม่บทธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติขึ้นไว้แต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงปรีบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างยกตัวอย่างอุปมาอุปไมย ทำให้เข้าใจได้ง่ายเปรียบเหมือนกับการเปิดไฟไว้ในที่ที่มันมืดอยู่บอกทางกับคนที่หลงทางหรือว่าอะไรที่มันคว่า ม, มันล้มอยู่ก็นายก็เปิดก็ตั้งมันขึ้นให้เห็นแจ่มแจ้งชัดเจนให้ไปตรงถูกทางให้มันสวยงามตั้งอยู่ได้อย่างชัดเจนขึ้นมาเป็นลักษณะ ที่ว่าเป็นหัวข้อกับพระเจ้าหลังจากพาธรมุฟังนั่งสมาธิสัก5นาที10นาทีแล้วก็จะมาอธิบายหัวข้อเหล่านี้ให้ฟังวันนี้อยากจะกลับมาสู่พื้นฐานตํามวังพื้นฐานคือ back to basic back to basic กลับมาที่พื้นฐานของคำสอนที่ได้สอนไว้ครั้งแรก นั่นคือหมวดธรรมในข้อที่ว่ากิจที่ควรทาในอริยสัจว์4กิจที่ควรทาในอริยสัจว์4ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วทูฟังมีอยู่4ประการวันนี้ก็จะพูดถึงหัวข้อ4อย่างนี้แต่จะไม่ได้พูดถึงเรื่องทุกสมุทัยนิโรธมรรคอะไรอย่างนั้นเพราะนั้นเราก็พูดกันอยู่เรื่อยอยู่แล้ววันนี้ต้องการมาเจาะ ตรงดีว่าแต่ละอย่างในเรียสัตว์สีมีกิจที่ต้องทำเนี่แตกต่างกันแหมถ้าบอกว่าทุกอย่างมันเหมือนกันง่ายๆมันก็ดีใช่ไหมละ่ะคือแต่ว่าธรรมะเนี่ยมันไม่ง่ายเป อ, อี่ยนอะไรก็ตามมันก็ไม่ยากไงถ้าจะบอกว่าโอ้ยากมากยากมากมก็มันก็ไม่ยากหรอกแต่มันไม่ง่ายอ่ะถ้าจะบอกว่า เ, เข้าใจง่ายๆเข้าใจง่ายๆ จะว่าง่ายมันก็ไม่ง่ายนะเพราะว่าส่วนที่เป็นความลึกซึ้งถึงขั้นโลกุตระไม่ใช่จะอย่างลงง่ายๆได้แค่การตรึตรกๆมันก็มีแต่ถ้าจะบกูกยากมากยากมากของลึกซึง้งจะว่ายากก็ไม่ยากหรอกธรรมะเนี่ยเพราะว่าส่วนที่เป็นพื้นฐานทําความเข้าใจได้ไม่ยากมันก็มีนี่แหละคือธรรมะท่านผู้ฟัง ที่ถ้าเมื่อเราศึกษาทำความเข้าใจไม่ยากไม่ง่ายเหมือนกับลำบากกับสบายเนี่ยแหละที่ว่าถ้าจะเห็นแต่ความลำบากยิ่งแค่ความสบายเลยจะทำหรือจะไม่ทำมาอย่าไปคิดอย่างนั้นแต่ดูที่ประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยดีกว่าตามฟังจะว่าง่ายหรือยากก็ตามถ้ามันมีประโยชน์ที่เกิดขึ้นมาง่ายนี่รีบทำเลย แต่อย่าเห็นว่ายาแล้วมันจะไม่ทำอุย้ยจะมีประโยชน์มากอย่างนี้ยาก็ทําสิจะไปกลัวอะไรใช่ไหมละ่ะธรรมะนี่มีประโยชน์มากท่านูฟังประโยชน์จะมากได้ต้องรู้จักแ ย, ยกแยะแจกแจงให้เหมาะสมไม่ใช่ว่าไปเมาเหมารวมกันไม่ได้ต้องรู้จักแยกแยะแจกแจงเนี่ยจึงเป็นหนึ่งในคุณสมบัติในคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ตัวท่านนั้นเป็นภรกวา คือพูดจำแนกแจกแจงพูดจำแนกแจกทำแจกแจงออกฮุกก็ต้องทำอย่างหนึ่งสมุทายก็ต้องทำอีกอย่างหนึ่งนิโรธก็ต้องทำอย่างหนึ่งมัดก็ต้องทำอีกอย่างหนึ่งปฏิปทาให้ถึงความดับฮุกก็ต้องทำอีกอย่างหนึ่งแต่ละอย่างแต่ละอย่างมีหน้าที่ที่ต้องทำ แตกต่างกันแล้วในตัวฝังคือเราไม่เข้าใจตรงนี้แล้วเราเดินไปใช้สลับหน้าที่นี่หนังคนละม้วน่ะคนละเรื่องเลยออกมาคนละอย่างถ้าเหตุเกิดทุกท่านให้ละคุณเดิไปทำให้มากๆเอาแล้วมันจะไปดีได้ไงสิ่งที่ให้เอาออกดันเติมเข้าไปในสิ่งที่อย่าให้ใส่ ดันใส่เข้าไปนี่หรือให้ใช้สิ่งนี้เวลาก็ทำขนมทำกับข้าวเขาให้ใช้แป้งข้าวโพดแป้งข้าวโพดไม่มีเอาแป้งสาลีก็แล้วกันน่าจะได้อยู่นะโอ้ยมันจะไปได้ได้ไงหนูมฟังออกมาขนมปังกับขนมครกมันเหมือนกันนี่แหละล่ะมันก็ใช้แป้งคนละอย่างถ้าเราสับสนไม่แจกแจงให้เหมาะสม แยกแยะให้ดีให้ถูกแล้วเห็นขาวๆเหมือนกันก็นใสๆกันลงไปคนละอย่างเลยนะดังนั้นการทำความเข้าใจจึงมีความสำคัญธรรมูฟังต้องรู้จักแยกแยะในแต่ละอย่างอย่างให้เหมาะสมถูกต้องคำสอนนี้แจกแจงไว้ครั้งแรกที่ปาอีสิปรตนะมฤคตัยวัน ในตอนนั้นมีภิกษุที่ได้ฟังร่วมกันอยู่5้ารูปด้วยกันในบทคมสอนที่ท่านยกเป็นหัวข้อชื่อว่าธรรมจักกัปปวัตนสูตรวันนี้จะเอาเฉพาะส่วนที่ว่าแต่ละอริยสัจแต่ละอริยสัจนั้นกิจสิ่งหน้าที่ที่เราต้องทำในแต่ละอย่างละอย่างนัะไม่เหมือนกัน เรานยกหัว ข, ข้อขึ้นก่อนในเรื่องของอริยสัจสี 4, ่เห็นที่เราทราบกันความจริงอันประเสริฐสี่อย่างไม่ใช่ความจริงทัท่วทวไปแต่ชื่อว่าความจริงอันประเสรศิฐใส่คำว่าอริยสัจความจริงทัท่วทวไปอย่างเช่นว่าเราดูข่าวยังนะข่าวนี่เป็นอย่างนี้หรืองานวิจัยทางวิทยาศาสต์อย่างงี้นะเช่นหลักฟิสิกส์หลักเคมี เขาทําการวิจัยออกมาแล้วได้ผลงานวิจัยเป็นอย่างนี้นี่คือความจริงเป็นสัจจะใช่ไหมล่ะแต่นั้นไม่ใช่สัจจะแบบบริษัทเป็นสัจจะที่เป็นแฟกต์เป็นข้อมูลด้วยใช่ไหมเป็นข้อมูลเป็นแฟกต์ตัวอย่างดีก็พระเจ้ามักจะยกมาให้ทุกฝังฟังเปรียบเทียบอย่างเช่นว่าเสื้อผ้าอย่างนี้มาตนเสื้อโอเคมันเป็นพื้นผืนใช่ไหมล่ะแต่เสื้อจริงๆมันคืออะไรจริงๆกับมันจริงๆ มันก็คือได้เอามาสารศัพท์ที่เขาเรียกก็คือทอพาทอกับสารต่างกันยังไงไอนี่ก็เป็นคําสมมุติที่ยกขึ้นพูดถึงการปรุงแต่งแบบนี้ก็ใช้คําว่าสารปรุงแต่งแบบหนึ่งหรใช้คําว่าทอสําหรับผ้าเราใช้คําว่าทอขึ้นมาแล้วมันก็เลยกลายเป็นสมมุติเรียกว่าผ้าแต่งจริงมันคือได้เอาแล้วได้มันคืออะไร จริงๆมันคือฝ้ายอ่าแล้วแต่ไหมล่ะมันคือตัวไหมอ่าจริงๆมันคือรังของตัวไหมอ่าแล้วไหนบอกเป็นผ้าไม่ใช่ที่มันหมายถึงที่มันทำํำมาจะอะไรใช่ไหมแล้วถามว่าเอ้ไอ้ตรงนี้มันคือจะเป็นสมมุติเรียกขึ้นมาไสมมุติเนไม่ใช่ความจริงอ๋อแต่มันจริงๆนะมันคือเรผ้าจริงๆคือจริงแบบสมบุรณโลกไงท่านฟัง จริงแบบสมมุติโลกเนี่ยก็คือตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ตามข่าวตามเหตุตามปัจจัยอันนี้คือตามน้ำไปตามน้ำคืออะไรคือตามนั้นตามน้ำคือตามนั้นตามนั้นคือตามอะไรตามเหตุตามเหตุเงื่อนไขปัจจัยแล้วแต่ว่าก็จะเรียกปรุงแต่งกันอะไรยังไงก็เรียกใช้ไปคำหนึ่งเลยทุกังที่กบฎชาปึงศึกษามาคาว่าแซงอย่างงี้นะ สระแอสอเสือรอเรือไม่โทงองูงแซงแซงในสมัยปัจจุบันเนี่ยหมายถึงแกล้งหมายถึงแบบหลอกลวงอย่างนี้มัล่ะแซงทำแต่ท่านฟังรู้บอกว่าคําว่าแซงทําในแค่ยุคราชการที่สี่ที่สามเนี่ยนะหรือที่5้าเขายัางใช้คานี้อยู่เนี่ยหมายถึงจงใจทำนะแซงทํานี่คือจงใจทํานะ เขาเนี่ยมันแค่ประมาณร้อยปีความหมายเมันเหมือนคนละอย่างกันเลยนะแสงทำในปัจจุบันหมายถึงแกล้งทำแนวแนวออกว่าไม่จงใจหรือว่าทําจริงก็จริงแต่ว่าไม่อยากให้ใครรู้แต่ในขณะที่ความหมายเดิมก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้แล้วที่มันเปลี่ยนแป ล, ปลงไปได้ล่ะก็ระบบของสังคมระบบของแอะไรต่างตามเงื่อนไขปัจจัยนั้นๆเนะ่ยนะตามนั้นนะ่ะ ถามนัน่คือตามกระแสที่มันพัดไปพัดมาหละเวลามันไปไงสับมันก็เปลี่ยนแปลงไปชื่อเรื่องก็เปลี่ยนแปลงไปการทำงานเหตุผลทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ข่าวสารบุคคลที่บักจริงจริงอยู่ตอนนั้นแะแต่มันเปลี่ยนแปลงได้อย่าถือเอาว่าจริงโดยส่วนเดียวนี่คือโดยทั่วไปสัจจะทั่วทั่วไป ความจริงแบบที่เป็นแฟกก็เรียกว่ากเท็จจริงใช่ไหมเป็นแฟกเป็นก็เท็จจริงแต่ถ้าบว่าความจริงอันประเสริฐตรงนี้เราจเรียกว่าทรูสคือความจริงแบบไม่ว่าจะข่าวเท็จหรือข่าวจริงมันก็จริงแบบอริยสัจอยู่ของมันไม่ว่าจะทฤษฎีที่มันผิดหรือทฤษฎีที่มันถูกมันก็จะจริงแบบอริยสัจของมัน นึก็ใช้คำว่า truth คือความจริงความจริงในข่าวปลอมก็นนาาคือมันเป็นอนัตตาความจริงในข่าวจริงก็คือเป็นอนัตตาเหมือนกันอะความจริงในทฤษฎีที่ผิดมันคือเป็นอนัตตาความจริงในทฤษฎีที่ถูกมันคือเป็นอนาตาัตตาอานัตตาเป็นต้นมีหลายๆอย่างก็เป็นความจริงอันประเสริฐซึ่งความจริงอันปรเสริฐต่อแยกๆมาก็จะมี4อย่างคือทุก สมุทยัยนิโรธและมรอะไรนี่คือ4อย่างนี้คือหัวข้อไงรายละเอียดของแต่ละอย่างคือถ้าทุ ก, ก็คือขันห้าขันห้านี่มีอะไรบ้างโดยแก่รูปเวทนาสัญญาสังขารและก็วิญญาณรูคือสิ่งที่เป็นของแข็งของเหลวกา๊าซธาตุสีดินน้ำฝ่ายลมเวตนาคือความรู้สึกที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุข สัญญาคือความหมายรู้การบอกได้ว่านี่คือสีเขียวสีแดงสีฟ้าชื่อมันคืออะไรสังขารคือการปรุงแต่งปรุงแต่งให้เปลี่ยนแปลงไปจากสภาพของมันเดิมอย่างนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งปรุงแต่งเวทนาอย่างหนึ่งให้เป็นเวทนาอย่างหนึ่งสุวิ ญ, ญันญคือการรู้แจ้งหรือการรับรู้รับรู้สิ่งนั้นรับรู้สิ่งนี้ได้ผ่านทางงูทางตา เป็นรถเข็มรถเปรี้ยวเสียงดังเสียงค่อยนี่เรีอว่าวิญญาณพวกนี้คือขันหาที่ถ้าเราจะบอกว่าเป็นสุกเนี่ย no. นในมันลวงยังไม่ใช่จริงยังไม่ใช่สัจจความจริงแต่จริงๆของขันหะนั้นคือมันเป็นทุกข์จะเถียงกันก็ได้นะก็ไม่ได้เรกเถีย ง, ย ง, งกันทั้งวานก็เรียกว่าให้เหตุผล แต่คนมีเหตุผลคุยกันเนี่ยไม่ได้เถียงนะแต่คนไม่มีเหตุผลคุยกันมันได้เถียงกันหรือถ้าเราจะใช้เหตุผลคุยกับคนที่ไม่มีเหตุผลเนี่ยคือการข่มขี่ถ้อยคำมันเป็นฆ่าศึกด้วยเหตุผลเหตุผลนั่นก็คือว่ามันเปลี่ยนแปลงได้มันเป็นทุกข์มันไม่เทียงเป็นอนัตตาก็จึงเรื่มมันเป็นทุกข์เป็นหนึ่งในอริยสัจความจริงประเสริฐส่วนที่สองที่ว่าตัณหา สมุทัยนี่เกิดทุกข์คือตัณหาแต่เราจะบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่หรอกที่ฉันมีทุกข์อยู่ตอนนี้เพราะว่าหัวบ้างเมียบ้างลูกบ้างหัวหน้าบ้างลูกน้องบ้างลูกค้าบ้างการงานบ้างมาแต่เราไล่เรียงไปไล่เรียงไปเนี่ยคุณจะไปเจอต้นตอมันคือตัณหาตัณหาจึงเป็นเหตุของความทุกข์นะ ไม่ใช่อย่างอื่นส่วนที่สามคือความดับไม่เหลือของทุกคือความดับไม่เหลือของตัณหาพอเราพิสุจน์แล้วว่าตัณหามันเป็นเหตุของความทุกข์จริงๆจริงๆแบบอริยษั์จริงๆแบบเลยนะถ้าไม่มีตัณหามันก็เป็นความดับของทุกข์ไงเป็นมาด้วยกันเลยเพราะสมาการมันแก้กันมาแล้วแล้ววิธีการที่จะให้ถึงความดับไม่เหลือของทุก ต้องใช้องค์ประกอบ8อย่างอันประเสกอบคือมรรคย่อย่อๆก็ศีลสมาธิปัญญาแต่เราจะบอกไอ้สีลสมาธิปัญญาเป็นแก้ปัญหาอะไรไม่ได้หรอมันจะให้ถึงความดับทุกข์ได้ไงเไดี๋ยวจะยกเหตุผลประกอบคนที่พูดโดยไม่เข้าใจไม่มีเหตุผลจะใช้เหตุผลในการปรับความคิดเห็นที่มันผิดนั้นให้มันตรงได้อันนี้คือเรียรสัตสีเงนินระวัง ประเด็นของความจริงอันประเสริฐสี่อย่างที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นยังไงตัณหามันก็เป็นเหตุเกิดทุกข์ไม่มีทางที่ตัณหามันจะทำให้เกิดความสุขได้อย่างแท้จริงจริงๆเลยเนี่ยไม่มีทางยังไงขันธามันก็เป็นทุกข์ไม่มีทางเลยที่ขันธามันจะนําความสุขความเจริญยั่งยืนอะไรต่างมาให้ ธรมันมันเป็นจอมปลอมไเฉยๆจริงๆมันไม่ใช่ของหลวงมันมีอยู่นี่จริงๆเป็นงี้ใชมประเด็นในที่นี้ที่จะพูดถึงคือว่าแต่ละอย่างในอริยสัจสี่ความจริงอันประเสริฐไม่ใช่ความจริงทั่วไปเนี่ยมีกิจที่ควรทําอย่าไปําพังเพียงเข้าใจหมดละทุกเกือนี่สมุทัยเกือนนี่นิโรธเกือนนี่เหล็กมะเกือนี้ฉันเข้าใจแล้ว ก็พูดมาสิบกว่านาทีครึ่งชั่วโมงยังไงคุณก็ต้องเข้าใจอยู่แล้วใช่ไหมล่ะแต่เข้าใจเนะี่ยมันเข้าถึงไหมเข้าใจจริงๆริงไหมว่ากิจที่ควรทําของเขาเนะี่ยมันคืออะไรหนึ่งในจุดที่คุณจะต้องเข้าใจคือว่าต้องทํำยังไงกับมันเรอาอก็ต้องทําแล้วด้วยนะเขาแค่ว่าต้องทํายังไงกับมันซะก่อนในทั้งสี่อย่างนี้ปุ๊บทันใจกับมารับรู้ เข้าใจยอมรับมันมาจากคาว่าปริญญาทุกเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้มาจากคาว่าปริญญาสมุทยัยคือเหตุให้เกิดทุกต้องลกต้องกำจัดต้องขว้างทิ้งต้องไม่ถือเอามาจากคาว่าปหา r น m ะคือละเสียนิโรธ คือความไม่มีตัณหาต้องทำให้แจ้งคือทำให้เกิดขึ้นทำให้เห็นทำให้สว่างมาจากคาว่าสัจจิกะและทางให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกทางเนี่มีองค์ประกอบแปดอย่างเป็นสิ่งที่ต้องทำให้เจริญต้องพัฒนาต้องทำให้ดีต้องทำให้มี มาจักคำว่าภาวิตาคือการภาวนาทั้งสี่อย่างนี้ต้องทําหน้าที่แตกต่างกันแบบนี้เรามาทําความเข้าใจตละอย่างทำฝั ง, งหน้าที่ตรงนี้หน้าที่มันสําคัญถ้าหน้าที่มีแล้วคุณไม่ทําตามหน้าที่มีปัญหาทันทีงานง่ายๆเช่นงานทําความสะอาดอย่างีทหวัง โอ้เจะบอกเป็นงานต่ำต้อยงานไม่สำคัญงานอรไรต่างให้เงินเลยคนน้อยอีกเฮ้ยสำคัญนะดูดิถ้าไม่มีใครเล้าห้องน้ำทำไงอ่ะตามสำนักงานตามสถานที่สาธารณะตามสถานีรถไฟรถตัวรถบัสอย่างงี้ถ้าไม่มีคนทำความสะอาดเนี่ยเข้าไปนี่พังะเลยโอโห้ห้องน้ำฉุนกึกเลยส่งกลิ่นมั้งแต่ก่อนเข้าล่ะ ยิ่งเข้าไปนี่เขาปิดซ่อนไว้ไงเปิดมาอื้อแบบเบียนหน้าหนีถ้าไม่ทันอย่างเงี้ยเข้าหน้าที่ก็ไม่ได้ทำดินี่ไม่มีใครทาหน้าที่นี้ดยนี่มีปัญหาทันดีเลยงานง่ายๆแล้วยิ่งทั้งงานสาคัญสําคัญนะหรือคนสาคัญสําส ค, สคัญเนี่ยไม่ได้ทําหน้าที่ที่สําคัญสําคัญเนี่ยโอ้เอา้าทำไมเป็นอย่างเงี้ยพึ่งไม่ได้ไงหน้าที่ที่ควรทํานั้นไม่ทํา มีปัญหาเลยโดยบางทงคนที่เป็นผู้นำนี่คนที่เป็นผู้นำต้อง Reli ยเบินะรีดายเบินี่ยหมายถึงมีความสม่าเสมอมีความมั่นคงในการที่จะทำสิ่งนั้นที่ตัวเองควรทำออท ำ, ทำตามหน้าที่ไงหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทำเลยตูฟังทำให้ดีทำตามหน้าที่ของเราให้ดีหน้าที่ในที่นี้หุกตอง กำหนดรู้เข้าใจยอมรับมันสุโมไทยต้องละต้องกำจัดต้องควางทิ้งนิโรธต้องทำให้แจ้งให้สว่างให้เห็นเปิิพตาาให้ถึงความดับทุกต้องพัฒนาเจริญภาวนาทำไม้มากถ้าเราทำสลับนาทีกันจินว่า มากนี่นะเขาให้ทําให้มากๆากใช่ไหมนั่นเป็น ล, ล้าเสียล้าเสียเช่นยังไงโอ้ยสมาธิฉันทําไม่ได้เลยพระมาหาพิบูรลเนี่ยมาชวนนั่งสมาธิทําชลเลนจ์คือการท้าให้ทําทําอยู่เจ็ดวันแม้แต่เจ็ดวันนี่มันทําไม่ได้เลยนะทำแต่วันสองวันอีกห้าหกวันนี่ทําไม่ได้ก็เลยคิดว่าทําไม่ได้ยิง่งไม่ทําล่ะ อันนี้คือทากิจที่มันผิดแล้วนะสิ่งที่ควรทําให้มากดันไปนล้าเสียสมาธิเนี่ยเป็นอะไรอ่ะเราเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งในโลกนี้นะวันะให้แนวคิดแบบนี้เลยวะมันจะจัดลงในอะไรของอริยสัจสีมันไม่มีในนี้แน่นอนนะในที่นี้เรากำลังพูดถึงสมาธิใช่ไหมคุณฝึกทําสมาธิคุณทําความเพียรคุณมีสัทธา เราก็พยายามตั้งสติไว้อยากห้เห็นเลยนะว่าไอ้สิ่งที่เรารับคำท้าไปเนี่ยมันมีอะไรบ้างเนี่ยบายดเวยนะเราก็นะ่าว่าที่ตาตะโบฟังมาฟังย้อนหลังเราเพิ่งจะได้ฟังเรามีกิจกรรมท้าให้ทำรับคำท้าคือทำทุกที่นั่งให้เป็นทิพด้วยการทำสมาธิอย่างต่อเนื่องท้าให้ทำอยู่7จดวัน เป็นกิจกรรมทางออนไลน์หรือว่าใครจะทำที่บ้านก็ได้แล้วก็จดรายการเอาไว้ส่งจดหมายมาที่มูลนิธิปัญญาภาวนาก็ได้แจ้งถึงผลการปฏิบัติแล้วก็จะมีรางวัลส่งกลับไปให้หรือว่าถ้าสะดวกทำออนไลน์นี่จะดีกว่าจะมีระบบมีตัวช่วย มีสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์โดยไปที่เว็บไซต์มีปัญญา .org m e p a n y a .org ไปที่เว็บไซต์นั้นแล้วก็จะมีรายละเอียดให้ว่าต้องสมัครยังไงลงทะเบียนยังไงแล้วจะร่วมทำอะไรยังไงใน7วันบ้างในนั้นจะมีบอกทีนี้ถ้าเราไปทำลงมือลับ ในที่นี้คือให้เกิดความเพียรให้มีศรัทธาให้สร้างสติให้ทำสมาธิสี่อย่างนี้ซึ่งสี่อย่างนี้เป็นส่วนอะไรอ่ะแล้วเราคิดอะไรก็ตามหวพังแนวคิดแนวคิดทุกอย่างสิ่งที่มีมาในชีวิตประจำวันของเราให้รู้จักแยกแยะสิ่งนั้นเขาว่าเขาเป็นอะไรเขาเป็นทุกข์ หรือเขาเป็นสมุทยัยหรือเขาเป็นนิโรธหรือเขาเป็นมรเขาเป็นอะไรเขาเป็นอะไรสิ่งนั้นเป็นอะไรอยากอย่าให้ดียกเคสเลยศรัทธานี่เป็นอะไรศรัทธาเหรออืมก็คือความมั่นใจนะท่านความมั่นใจอยู่ตรงไหนเป็นตัณหาปะ่ะมันจะไม่ใช่ไม่ใช่แล้วศรัทธามันไม่ใช่ตัณหาหรือเป็นทุกข์ใช่ไหม สัทธาทีมันทำให้ผลถุกนะ่ะอ่ามันก็ต้องเป็นปฏิปทาใช่ไล่ะเป็นส่วนของมอบแปดความเพียรสติสมาธินี่ชื่อมันบอกอยู่แล้วสัมมาวายามาสัมมาสติส ม, มาส ม, มาธิอ่าพวกนี้เป็นมัดคือทางหมายถึงปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกขนะ์คือทางที่ประกอบด้วยองค์กันประเสริฐแปดอย่างอันนี้คือมกักแปดนี่ใช่เป็นมักแปดใช่ไหมกิจที่ควรทําใน ปฏิปธานี้คืออะไรเอ้าต้องพัฒนาท่านมาจากคำว่าภาวิตาพัฒนาภาวิตาคือภาวนาหมายถึงไม่ใช่ออนวอนนะแต่ทำให้มันมากถ้ายังไม่ดีต้องทำให้ดีถ้ายังไม่มีต้องทำให้มีแต่ดีอยู่แล้วยิ่งทำให้ดียิ่งขึ้นนั่นจะเป็นการพัฒนาแต่ถ้เราบอกโอ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วฉันไม่ทาต่อดีกว่า พวกที่ทำไปแล้วเจ็ดวันก็เลยเลิกซะเอาเลิกก็คือละเฉละเลิกละเอ้มันผิดนี่นิเพราะเลิกละนี่มันต้องทํากับตัณหาแต่ได้มันเลิกละในสิ่งที่เป็นมก อ, อ่ะอ่าไม่ถูกกันนะไม่ถูกกันนะกิจที่ควรทําในสมาธิในสติคือเจริญคือพัฒนายิ่งต้องหาเวลาทําให้มันมากขึ้น ยิ่งต้องทำยังไงถ้ามีเวลาเท่าเดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นยิ่งต้องทำยังไงถ้าบอกว่ามีเวลามีประสิทธิภาพเท่าเดิมทำยังไงถึงใจะใทำมาได้บ่อยๆให้ได้ซ้ำๆให้ได้ย้ำๆต้องคิดแบบนี้หรือเราดูออนไลน์ช้อปปิ้งอย่างนีง้ก็ได้ยกตัวอย่างเลยยกเคสเลยคุณ online shopping. Online shopping ออนไลน์ช้อปปิ้งออนไลน์ช้อปปิ้งจะซื้ออะไรอะซื้อผ้าสักผืนนึ่งอะอผ้านี้เป็นอะไรก่อนคือเราต้องรู้จากแยแยนะั้นต่งางหานะ ผ้าเนี่ยมันเป็นอะไรผ้ามันก็เป็นผ้าไงหมายถึงว่ามันก็เป็นวัตถุดิบขึ้นมาใช่ไหมล่ะเป็นธาตุแต่ว่ามันละมันคือธาตุดินเนอะธาตุดินคือเป็นส่วนของรูปไงเป็นของแข็งของเหลวหรือก๊าสเป็นธาตุสีดินน้ำไฟลมถ้ามันเป็นธาตุดินมันคือรูปรูปหนึ่งเป็นอะไรเอาเป็นหนึ่งในขันห้าขันห้านั้นเป็นอะไรโหมันเป็นทูกโอเคมันเป็นทุก ไล่ความอยากที่เราอยากจะได้ผ้าเนี่ยมันก็มีมาด้วยนะเพราะภายในสิ่งที่เราเห็นอยู่ส่วนเดียวมันที่มันมีหลายอย่างปนกันมาอย่างก็พรเจ้าชวนทำบูฟังทํากิจกรรมที่นั่งกันเป็นทิพทาให้ทําแล้วมัดรวมกันศรัทธาความเพียรสติสมาธิหลายอย่างอยู่ในนั้นเช่นเดีวยวกันว่าเราซื้อผ้าผืนหนึ่งเนี่ยกุณซื้อผ้าผืนหนึ่งมันมีหลายอย่างอยู่ในนั้นนะตัวผ้านี่ก็ส่วนหนึ่ง ความอยากที่จะได้นอีกส่วนหนึ่ ง, งผลกันละมาสองอย่างความอยากที่จะได้ผ้าความอยากเนี่ยคืออะไรเข้ามันชัดเจนนะมันคือตาสนาถ้าอยากได้ผ้าศาสนามันคือสมุทัยไงแต่ไอ้เจ้าตัวผ้าเนี่ยมันคือรูปใช่ไหมละ่ะรูปมันก็คือทุกไงอ่านี่มาด้วยกันละทุกและสมุทัยมาด้วยกันละอยู่ในการที่เราจะไปออนไลน์ช้อปปิ้งซื้อผ้าประเด็นคือตรงนี้ต้องหวังว่า ถ้ามันมัดรวมกันมาอเง้ยเราต้องรู้จักแยกมันออกแล้วทําหน้าที่มันถูกหมายความว่าถ้าสมุทัยกระทุกมันมัดรวมกันมาแล้วสมุทัยกระทุกเนี่ยนะยังไงมันก็มัดรวมกันมาลำบฟังเราอยู่ในโลกนี้เนี่ยอยากได้สุขไม่อยากได้ทุกข์กันอยู่แล้วป่ะรักสุขเกลียดทุกข์กันทุกคนไล่มาเลยตั้งแต่ยาจก ตั้งแต่คนไม่มีอันจะกินจนคนธรรมดาพอมีพอกินจนถึงพนัก ง, งานออฟฟิศจนถึงเศรษฐีมหาเศรษฐีราชามหากษศัตริ์โอ้ยไปนู่นเลยจนถึงเทวดาเทพศูนย์มารพรมแม้แต่พระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์นี่หรือเหล่าพระอรหันต่ยังเป็นอาตมากรนี่ก็รักสุข เกลียดทุกกันทุกคนทัวนหน้าทุกคนรักสุขเกลียดทุกข์ก็จะมีสมุทัยและทุกปนกันมาด้วยเสมอเหมือมนมาด้วยกันเหมือนแพ็กเกจกันมาทุกกับสมุทัยยังไงกับปนกันมาเราต้องแยกมันออกเพราะอะไรนะเพราะสมุทัยคุณต้องละไงแต่ทุกคุณต้องกําหนดรู้คุณต้องเข้าใจมันไง คุณต้องยอมรับมันไม่ใช่ว่ายอมรับใ้เจ้าตานานะถ้าตาหาเราก็ยอมรับมันมาเออมันอยู่ก็อยู่ไปก็ดีแล้วอ่าอ อ, อหิดแล้วนั่นมันจะทำให้ทุกข์มากขึ้นเพราะตาหาเป็นเหตุของความทุกข์ในที่นี้ถ้าเราอยากซื้อผ้าความอยากนั้นคือสมุทยัยสมุทัยต้องละเสียควางทิง้งกำจัดเลิกไม่เอา แต่ทุกคือตัวผ้าคือขันห้าต้องกําหนดรู้เข้าใจยอมรับเติใจออว่าปริญญาทํำยังไง อ, อ้าผ้านี่ยมันคืออะไรตัวทุกอะไรแหละผ้ามันคืออะไรว่ามันก็เป็นธาตุดินใช่ไหมเป็นลมกําหนดรู้มันเนี่ยมันคือต้องเป็นข้อดีข้อเสียข้อมันมา ย, ยัางไงจะเอาไปใช้ทําอะไรสวยงามไม่สวยงามจุดไหน ถ้าเราไม่รอบรู้นะคือเห็นแต่ข้อดีขอมันอย่างเดียวใช่ไหมเห็นแต่ความดีความงามความสวยหรือในอด้านหนึ่งก็คือไม่ชอบไม่พอใจเกลียดไม่เห็นด้วยคือมันจะมีความลำเอียงและมีอคติเกิดขึ้นถ้าเราไม่รอบรู้มันนะเราจะมีความลำเอียงมีอคติเกิดขึ้นในสิ่งนั้นถ้าชอบผ่าปืนนี้ กูก็ชอบเลยทั้งสีทั้งเนื้อถ้าเกลียดผ้าผืนนี้กูก็ไม่ชอบเลยเนื้อดีอยู่แต่สีไม่สวยไม่ชอบกูไปแบบใหม่อีกก็มีอคติคือไม่เห็นรอบดานแต่ทุกหมายถึงกันหน้าเราต้องเห็นรอบดานในที่นี้คือกําหนดรู้รอบรู้เข้าใจมันส่วนตัณหาคือความอยาก ที่วอยากได้ผ้าเนี่ยต้องละเสียละกาจัดความอยากในผ้านั้นไม่ใช่ไปกําจัดผ้านะแต่กําจัดความอยากที่จะได้ละเสียอาท่านแล้วถ้าไม่อยากได้มันก็ไม่ซื้อสิไม่แน่เพื่อถ้ามันจําเป็นต้องซื้อในความที่ต้องเอาไปใช้งานก็นซื้อได้แต่ไม่ได้ซื้อด้วยความอยากไงกินอาหารเนี่ย แต่อย่างดีเลยเป็นตัวอย่างอาหารยกมาจานหนึ่งอาหารนี่เป็นอะไรเห็นอะไรได้ยินอะไรก็ตามนั้นฟังให้คิดเป็นแนวอริยสัจมันคืออะไรสิ่งนั้นอาหารนี่ท่านแนวอริยสัจโอ้อาหารนี่มันก็เป็นธาตุดินเอเป็นสิ่งที่เป็นธาตุน้ำก็มีถ้าเป็นซุปธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเป็นอะไรเป็นรูป รูปมันก็คือขันท่าไงใช่ไหมล่ะอขันท่ามันก็เป็นทุกข์ไงอาหารจานหนึ่งเนี่ยคือถูกมาแล้วเนื้อมันมัดรวมกันมาทุกไม่ได้มาโดยส่วนเดวแล้วมันก็มีสมุทรไทยมาด้วยโอ๊ยแต่ว่าอาหารนี้ฉันไม่ชอบก็เฉยๆนะอาหารยกมาก็ไม่ใช่ว่าจะอยากกินหรือไม่อยากกินทีนี้มันจะมีอาหารบางประเภทที่เราชอบมากเข็มของหวาน สินของทอดๆสินของอร่ อ, อยบางคนชอบกินข้าวมันไก่บางคนชอบกินข้าวขาหมูอุ้ยโดยเฉพาะหนังมันเหนียห์หึงทั้งมันทั้งหนังนี่ชอบมากเห็นเลยแบบอออืืหคนลุกเลยล่ะอยากกินในขณะที่อาหารจานเดียวกันนี่อีกคนหนึ่งก็ไม่ชอบข้าวขาหมูอ่ะเขาชอบสลัดนี่เห็นข้าวขาหมูนี่อ้ยนลุกเหมือนกัน ทำไมไงเขยากขยงโอ้ไม่ชอบกินกันได้ยังไงเนี่ยฉันไม่อุ้ยมันล้วนๆเนี่ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวพวกนี้ก็าชอบกินสลัดเขาก็เลยไม่ได้มีตัณหาแบบนี้ว่ากามาตัณหาแต่มีภวะตัณหาแทนก็มีภาวะตัณหาเหมือนกันอะแต่มีวิภาวะตัณหาแทนมันคือตัณหาเหมือนกันแหละแต่ว่ามันต่างกันไงอาหารจานเดียวกันยกมาคนสองคนไม่เหมือนกันอะความรู้สึกต่อสิ่งนี้อเพราะว่าที่มันมัด รวมกันมาเนี่ยมันเกิดขึ้นแตกต่างกันอาหารจานเดียวกันเป็นขันห้าเหมือนกันแต่ลักษณะของตัณหาก็เกิดขึ้นแตกต่างกันคนสองคนขึ้นรถไฟห่ะตีลังกาคันเดียวกันคนหนึ่งเนี่ยโอ้อวกแตก่อวกแตนหัวมึนใส่จัทะลักษ์ออกมาอ้วกตาแดงน้ำหูน้ำตาไหลอีกคนหนึ่งเนี่ยโอ้เยวเยวมีความสุขมากสนุกมาก ตืนเต้นเอาอีกเอาอีกเอา้าทำไมสองคนมีผาษะแบบเดียวกันไม่ว่าจะอาหารไม่ว่าจะขึ้นรถไฟหอตีลังกาแต่ว่าคนหนึ่งชอบมากคนหนึ่งเกลียดมากนี่คือยกตัวอย่างเห็นสองขั้วแตกต่างกันนะว่ามันมีอะไรที่มันมัดรวมกันมามันก็ตมมัดเราต้องรู้จักแกะออกแยกออกให้เห็นชัดเจนว่ามันคืออะไรถ้ามันเป็นทุก์ ต้องทำความเข้าใจกำหนดรู้รอบรู้สิ่งนั้นถ้าเป็นตันหาต้องลักมันเสียเลิกกำจัดทิง้งไม่เอาไว้กลับมาที่อาหารที่ว่าถ้าเป็นอาหารที่เราชอบมากเลยชอบมากก็ถ้าชอบมากก็จะกินเยอะไงกินเยอะไปก็ชอบไงก็ชอบนี่เป็นอะไรล่ะ ก็เป็นตันหาไงเออพอคนที่กินอาหารด้วยตันหานี่นะทัง่งนะมันก็จะทำให้กินมากเกินประมาณก็ด้วยว่าไม่รู้ประมาณเกินประมาณละเกินประมาณกินก็ไปน้ําตาลเนี่ยกินก็ไปน้ําสีน้ําสีนี่คือพวกน้ําหวานต่างๆสีส้มบัง่งสีดําบัง่งสีเขียวบ้างกินก็ไปขนมหวานนี่กินก็ไปมากมากมันก็เป็นเบาหวานนะทุกฝัง กินหวานมากเกินไปเป็นเบาหวานนามาสู่การเป็นโรคหัวใจเป็นโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดเป็นโรคมะเร็งอะไรต่อไปอีกคือมันไม่ได้มีเชื้ออะไรเข้าไปเช่นเชื้อไวรสัสเชื้อแบคทีเรียเหมือนโควิดอย่างนี้นะไม่ได้เป็นอย่างนั้นโรคนี้มันเกิดจากอาหารการรับประทานของมนุษย์ธรรมดาเนี่ยทําตามความอยากอยากหวานหวา น, น่ยชอบชอบนี่อยากไง เราอยากกินอะไรตามความอยากความอยากต้องกําจัดออกเสียละเสียการกําจัดความอยากออกละออกนั้นต้องแยกออกจากเจ้าความทุกข์มันมัดรวมกันมาเราต้องแยกออกจากกันกําจัดสิ่งที่เป็นความอยากนั้นเสียเอาใหม่กรานี้อาหารการที่ชอบยกมาเลยคราวนี้เป็นไรโอ้พายสตอ โอ้ปสตอใส่กุ้งด้วยใส่หมูด้วยใส่สตอนี่โอ้ลูกใหญ่ๆเลยถ้าหัวแม่โป้งดูะว้าวมีข้าวสวยร้อนๆด้วยแมมกะปินี่หอมฉุยเลย ห, หยุดก่อนนะหยุดก่อนนะไอ้ผัดสตอรมันคืออะไรคืออาหารไงมันก็คือท่าซีเออมันก็คือทุกข์นั่นแะชอบใช่ไหมชอบนี่คืออะไรคือตัณหาเนี่แหละชอบกินสิ่งนี้ ไม่ใช่ว่าเราจะต้องเลิกสิ่งที่เราชอบนะแต่เอาความอยากออกไปนะสมมติว่าถ้าเราชอบสตอแล้วคุณยกสตอมาเฮ้ยเอาสต อ, อ, อไปเอาสต อ, อ, อไปไม่กินไม่กินหากข้ามใจถ้ามีนยัง ไ, ไม่ถูกเพราะอะไรไปกําจัดทุกง่ายทุกคือสิ่งที่ต้องรับรู้แต่คุณจะไปกาจัดมันออกเสียคือยกออกไปยกออกไปก็เลยไม่กินเพราะอะไรมันเป็นละความทุก ทุกไม่ใช่สิ่งที่ควรละเตมาฟังทุกเป็นสิ่งที่ต้องเข้าใจเขาเอ า, เ อ, า, ากออกมาแยกแยะออกทุกใช่ไหมสมุทยด้วยนะแยกออกละสมุทยเสียทุกให้รอบรู้ซะรอบรู้ทุกคืออะไรในที่นี้คือปัสตอแต่เป็นยังไงโทษมันก็มีหุ่นมันก็มี คุณมันกินเข้าไปแล้วมันก็จะไม่ร่างกายเราทรงดำรงอยู่ได้เป็นอาหารที่ถูกท่าคืออาหารที่เราชอบโทษมันก็มีถ้าไม่กินแล้วเวทนาบางอย่างมันก็ไม่ระงับถ้ากินมากเกินไปเวทนาบางอย่างมันก็เกิดขึ้นจะทํำยังไงให้กินแล้วพอดีมีเวทนาเบาบางคือเวทนาเก่าก็ระงับไปเวตนาใหม่ก็ไม่เกิดขึ้นระงับเวทนาเก่าได้เพราะอาหารนี้เป็นสิ่งดีนะ ส่วนที่เป็นความอยากความชอบเนี่ยเอาออกไปความอยากความชอบนั้นคือตัณหาเอาออกไปเอาออกไปแล้วมันจะเหลืออะไรก็ไม่เหลือความอยากไงไม่ให้เหลือในอาหารประเภท น, น, นั้นใช่ไหมแล้วกูจะทำไงกับมันก็มันถูก่าตมันก็กินได้ไงกินได้พอประมาณกินได้พอประมาณในอาหารที่ถูกถา่านไีไยกินได้ตาฝังเพราะอะไร เพราะเราไม่ได้ทำตามอานาจความอยากทำตามเหตุผลเอาก็รู้ประมาณในการบริโภคต้องรู้จักเสพไม่ดีถ้าเรามองกันให้กว้างแล้วก็ลึกด้วยนะดูฟังนะจะเป็นอาหารจะเป็นเสื้อผ้าเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรเรื่องปัจจัย4เห็นไหมปัจจัยสนี่ติกับประชาพึงเทปไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองดูฟัง ในช่วงของจิตาวิเวที่พูดถึงวิธีการพิจารณาปัจจัยสี่ก่อนการบริโภคตรงนี้เลยการพิจารณาปัจจัยสี่ก่อนการบริโภคก็เพื่อที่จะเอาตัณหาเอาความอยากเนี่ยออกไปแล้วเสฟอย่างมีสติสัมปชัญญะเสฟอย่างพอดีโอเชนแมตตันยุตายแล้เป็นอาหารแต่เป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มก็ให้ เพียงใส่เพื่อปกปิดความละอายเีนาสนายรักษาโรคก็มีวิธีพิจารณาของเขาที่พระบรุทเจ้าสอนไว้เพื่อให้แยกแยะตรงนี้ออกเราพิจารณาปัจจัยสี่นะ่นะก่อนการตั้งอุปปปหกและบริโภคจะละตัณหาไปในตัวจะเข้าใจขันห้าได้พรำพรำกันแยกแยะออกเลยในชอดเดียวง่ายไหม ง่ายสิสมุระวังเพราะว่าท่านทำให้ง่ายแล้วไงไอ้ที่ข้าพเจ้าอธิบายมาเนี่ยมันจะว่าคือให้เห็นกระบวนการการทำงานของเขามันเลยดูหลายขั้นตอนสำหรับบางคนหลายขั้นตอนก็เลยชี้ว่ามันยากจริงมันไม่ยากถ้าเราทำแค่พิจารณาอาหารบูมเลยมันทัานเดียวกันโออริยสัตว์ีที่ว่าเราต้องแยกทุกอย่างสมุทยัยกรณีของ การบริโภคอุปโภคสิ่งที่เป็นปจัจจัยสีแก่การดำเนินชีวิตมันอยู่ในขั้นตอนเดียวกันนี่เองง่ายไหมง่ายสิอีกตัวอย่างนึงนะที่ก็เป็นอาหารแบบที่ว่าเราอยากจะกินเหมือนกันนะในที่นี้คือเช่นสุรายหรือถ้าเราต้องการจะไปเสพในที่นี้เช่นไปมีกิ๊กไปมีภรรยาของผู้อื่นหรือสามีของคนอื่น หรือเรามีภรยาหรือสามีอยู่แล้วเราจะไปเที่ยวหาความสุขจากหญิงหรือชายอื่นนี่มันผิดศีนะแม่แต่ก็ชอบไงถ้าบอกว่าทำของที่ชอบก็ได้เอาความอยากออกอออต้องแยกแยะให้ถูกใช่ไหมการดื่มน้ำเมาอันเป็นที่แต่งความประมาทในกรณีของดื่มสุราการเสพครบภริยาหรือสามีของคนอื่น ในที่นี้คือผิดจารีตการผิดจาีตเป็นผิดศีลข้อ3มการดื่มสุราไม่อะไรนั่นคือผิดศีลข้อ้าแม่แต่ว่าฉันก็ชอบทำนะคือเมื่อกี้ท่านบอกว่าชอบกินสตอก็อยังกินได้แต่ให้รู้ประมาณใช่ไหมละ่ะอ่าต้องละความอยากในสิ่งนั้นก็ละออกแล้วก็เอาเฉพาะคนที่สวยพอประมาณหล่อพอประมาณเดี๋ยวกินยินนิดหน่อยกินอย่างนี้ใช่ไ เอาเาไปทำความเข้าใจการดื่มสุราการประพฤติผิดในกาลนี่เป็นอะไรก็จะว่ามันก็คือเป็นศีลไงพอมีบทบัญญัติอยู่ในเรื่องของสัมมากรรมันต์สัมมาอาชีวะถ้าทําไม่ถูกมันก็เป็นมิจฉากรรมันตเนชชช์เป็นมิจฉาอาชีวะเป็นมิจฉาก็คือผิดศีลเป็นสัมมา ก, ก็คือทําให้ถูกศีลใช่ไหมแต่ว่ามรรคแปดเนี่ย ควรทำให้มากนะศีลนี่คุณทําไม่มากอย่าทําให้มันเสียก็ถ้าเราไปดื่มชุรามีอะไรไปประพฤติผิดในกามมันเสียจากมีศีลอยู่ทําให้ศีลมันเสียไปโอ้ไม่ถูกกันนะถ้าเราสับสนระหว่างทุกข์กับมรรคคุณทาผิดเลยสับสนระหว่างทุกข์กับตัณหาคุณทําผิดเลย ในที่นี้คืออย่าไปสับสนเรื่องอาหารกับการประพฤติผิดในการมก็ละอย่างกันคิดว่าสิ่งนี้ฉันจะเสพแต่ถ้าเสพสิ่งที่ผิดศีลโอตรงลาเสียทำให้เจริญไม่ได้เราจะทําการผิดศีลให้เจริญไม่ถูกเราต้องทําศีลให้เจริญต่างหากถึงจะถูกใช่ไหมถ้าสมมุติเรามีศีลอยู่แล้วเราจะไปผิดศีลก็คือคุณทําการผิดศีลให้เจริญขึ้นมาจากที่ไม่เคยทําก็ไปทาไง จากที่ยังไม่มีก็ไปมีไงจากที่ทำถูกอยู่แล้วเดินไปทำผิดไงทำการผิดศีลได้เจริญผิดเลยจะไปพัฒนาการผิดศีลได้ยังไงไม่ได้แต่ทำไปก็ตรงข้ามแทนที่จะเดินไปตามทางที่จะมีนิพพานเป็นที่สุดจบดันหมุนร้อยปบองศาเดินห่างจากนิพพานออกนอกทางหลงป่าเข้าไปสู่นร ก, กนแล้วตอนนั้นนะ่ะ เพราะว่านี่สับสนไงสับสนระหว่างการนี่ไ e, อะไรมันคืออะไรในอริยสัจสี่เพราะฉะนั้นเราจะทําอะไรจะคิดอะไรเห็นอะไรได้ยินอะไรนี่ต้องรู้จักแยกใหญ่เหมาะสมมันจึงกั้นล็อกกันอยู่ในตัวดูฝังมรรคแปนี่ถ้าสิ่งที่เราเจอบริปโภคอุปโภคนั้นเราเรียวเป็นปจัจจัยสอ่า อ, อ่แล้วแต่มันปิดสีมันจะไปไม่ได้มันก็จะถูกล็อกไว้ด้วยปฏิปทาที่มีองค์แปดอันประเสริฐ เป็นสิ่งที่จะกินได้ดื่มได้นั้นก็จะอยู่ในปัจจัยสี่เป็นหนึ่งของทุกเป็นเร่องการทางานก็ทาไปแต่ส่วนที่ถ้าจะผิดศีลต้องอย่าทำอย่าให้มันเจริญส่วนที่ทำให้ถูกศีลยิ่งต้องทำยิ่งต้องเจริญให้มากเลยคือถ้าคุณไม่มีศีลอยู่เออฉันจะมีศีลสักวันหนึ่งนะวันนี้ช่วงพรรษางดเหล้าเลยงดเหล้าเข้าพรรษานีมากนะ สำหรับตัมบูฟังที่แอดวานซ์ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเขาจะมีกิจกรรมพลังใจในภรษาที่วทาให้ตัมบูฟังทำกิจกรรมอยู่ตลอด12สัปดาห์3เดือนช่วงในภรษานี่ผ่านมาแล้วครึ่งภรรษานะตับูฟังนะเจ็ดสัปดาห์แล้วด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักแยกแยะสิ่งต่างๆให้ดีหละเกณฑ์ที่จะทาให้การปิบัตของเราง่ายเลยตมูฟัง คือแต่ละอย่างแต่ละอย่างในเริยสัติเนี่ยนะปฏิบัติทำกิตที่ควรทำอันใดอันหนึ่งในนั้นแล้วก็จะทำกิจอื่นๆไปได้ทั้งหมดพร้อมกันเหมือนเป็นถนนที่มันขนานกันไปสินถนนราชดำเนินอย่างเงี้ยนะมันมีราชดำเนินที่อยู่ด้านในด้านกลางด้านนอกมันจะมีหลายๆเลนอยู่กันไปเนี่ย เราเดินไปข้างหน้าเนี่ยตรงอื่นๆเราก็เดินผ่านไปด้วยหมดเนี่ยเดินผ่านไปด้วยหมดเดินผ่านไปด้วยหมดเพราะมันไปด้วยกันหมายความว่าในขณะที่คุณละตัญหาอยู่เนี่ยไอ้การละตัญหาคุณก็เจริญมกักแบบไปในตัวในขณะที่คุณละตัญหาอยู่เนี่ยคุณก็เข้าใจขันห้าไปในตัวในขณะที่คุณละตัญหาอยู่เนี่ยคุณก็ทําให้แจ้งซึ่งนิโรธไปในตัวหรือในขณะที่เราเข้าใจความทุกข์อยู่เออสิ่งนี้เป็นอย่างนี้เนาะนี่เนาะ ในขณะทีคุณพยายามทำความเข้าใจความทุกข์อยู่รอบรู้มันอยู่กมดมันอยู่ก็ชื่อว่าละตัญหาไปในตัวชื่อว่าเจริญมักแปดไปในตัวชื่อว่าทำความให้แจ้งในนิโรธไปในตัวแล้วสิ่งนี้ทุกฝั่งเราทำได้ทุกที่ทุกเวลาคือไม่ได้ไหมายความว่าโอ้ฉันจะเจริญมักแปนี่ฉันต้องไปทำที่วัดเท่านั้นนะรักษาศีลกบไปรักษาที่วัด เจริญสมาธิเจริญปัญญาไปที่สำนักปฏิบัติธรรมเอา้าแล้วทุกวันนี้คุณไม่เจอทุกหรอก็อถ้าเจอทุกอยู่แล้วคุณรอบรู้เข้าใจทุกศีล ส, สมาธิปัญญามันก็อยู่ในนั้นปะเจออย่างขับรถไปเจอคนขับปาดหน้าเดินตลาดไปมีคนมาชี้หน้าดา่าหรือกินกินอาหารเข้าไปเอา้าเจอเส้นผมเส้นขนในอาหารนั้นเจออะไรใช่ปะ นี่คือชีวิตประจำ ม, มันนะตำรวจนะถ้าในขณะที่เราเจอสิ่งต่างๆเหล่านั้นแล้วคุณก็ใจความทุกข์ในที่นี้ได้คืออะไรท่านอดทนได้เอ่ไม่ดา่าไม่ว่าเจ้าของร้านที่เขาขายเส้นขนให้อยู่ในอาหารไม่คิดตำหนิติเตียนดา่าพ่อล่อแม่เขาคนที่ขับรถปาดหน้าหรือว่าสามารถแผ่เมตตาให้มีอุเบกขาให้ กับคนที่ชี้หน้าด่าเราเอานั่นคือคุณรักษาศีลแล้วใช่ไหมละ่ะนั่นคือกระจิตคุณมีสมาธิมีสติแล้วนั่นน่ะเห็นด้วยปัญญาชัดเจนเลยปล่อยวางได้แล้วจะไปยึดถืออะไรศีล ส, สมาธิปัญญาอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ในรถที่กําลังขับอยู่บนถนนอยู่ในอาหารที่คุณกินนั่นแหละมีเส้นขนอยู่อยู่กลางตลาดเลยดูก็ด่ า, ดาอยู่นั่นน่ะเขาไปแขวนไว้อยู่ในโซเชียลเดี๋ยวนี้ อยู่ตรงนั้นหมดศสีนสมาธิปัญญาทุฟังอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นสีนสมาธิปัญญาอยู่ตรงจุดที่จิตเราอยู่ไงจิตเราไม่ได้ว่าจะไปอยู่ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งอย่างเดียวนะ่มันไปเรื่อยๆบ้านบ้างวัดบ้างการเดินทางบ้างที่ทำงานบ้างบ้านนี่บางทีก็ไม่ได้มีหลังเดียวหรือบ้านบางีก็ย้ายไปเรื่อยๆย้ยายไปอยู่ที่นั่นย้ายไอยู่ที่นี่ ไม่ได้เป็นต้องอยู่ที่ไหนที่หนึ่งที่เดียวรอกมันอยู่ในทุกที่ศีล ส, สมาธิปัญญานี่ทําที่ไหนก็ได้ถ้าเรามีปัญญาทำหวังไม่ยากนะเพราะส่วนที่เป็นพื้นฐานทาความเข้าใจได้ง่ายๆไม่ยากเหมันก็มีแต่มันก็ไม่ง่ายนะเพราะว่าส่วนที่เป็นความลึกซึ้งไม่ใช่ว่าจะยังลงง่ายด้วยแค่แค่คิดตรีตรึกเอาแต่มันต้องลงมือทำจริงๆอะ การทำบางสิ่งบางอย่างที่มีความลึกซึ้งเนี่ยมันก็ไม่ง่ายไงซึ่งเรื่องของอริยสัจสีกิจที่ควรทำเนี่ยมันเป็นความลึกซึ้งเต็มฝั่งในที่ตรงนี้เขาเรียกวากิจญาณกิจจ์เนี่หมายถึงกิจที่ควรทำเราต้องรู้ในข้ อ, อนี้รู้แล้วต่อไปต้องทำให้ได้ด้วยนะเขาเรียกว่ากะตะยานกะตะยานคือลงมือทำให้มันได้ รู้แล้วคิดแล้วแหมแตรึงละไม่ได้ในส่วนของสมุทรไทยเทียงเจริญไม่ได้ในส่วนของปฏิปทาคือมรคแปดเทอยงเข้าใจไม่ได้ในส่วนของทุกข์คือขันห้ามันก็ยังไม่ได้ไงเราหวังมันยังทํากิจที่ควรทำยังไม่ได้แต่เราต้องทำให้มันได้นิดหน่อยมันก็คือได้แหละนิดหน่อยได้แล้วได้บ้างแล้ว แต่ยังไม่สุดก็ค่อยๆทําไปค่อยๆปฏิบัติไปตรรมว่างไม่ใช่แค่ว่าอยู่วัดเท่านั้นอยู่บ้านเท่านั้นแต่ทุกที่เลยไม่ใช่เฉพาะกับคนในครอบครัวเท่านั้นหรือหัวหน้าเท่านั้นทุกคนเลยเพื่อนบ้านด้วยลูกน้องด้วยเพื่อนนม ง, งานด้วยไม่ใช่เฉพาะเวลาฟังธรรมารามรุณเช้าหรือเย็นเท่านั้นแต่ขณะกินข้าวด้วยเข้าห้องน้ําด้วยเดินทางด้วยทำได้ทุกที่ทุกเวลาตลอด การํำได้ทุกคนนี่ตำรฟังเป็นหัวข้อที่เรียกว่ากิจที่ควรทำในอริยสัจสี4แต่และอย่างไม่เหมือนกันนำมาแยกแยะแจกแจงไว้ให้ให้ทราฟังได้เข้าใจในการปฏิบัติที่ทั้งอยู่ในชีวิตประจำวันของเราหรือที่เป็นรูปแบบของการทำสมาธิท้าตำรฟังมีข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดใดต้องการจะติดต่อกับทางรายการ สามารถส่งจดหมายหรือปริณนีบัตรได้ไปที่ที่อยู่ของมูลนิธิปัญญาปาวนาตั้งอยู่เลขที่431 20ถนนประชาราชสาย2 431ท20ถนนประชาราชสาย2เขตแล็แหวงบางซื่อกรุงเทพ10800รายการช่วงของตายร่มพฏทุบทตนั้นนำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาปาวนา จัดรายการโดยพระมหาภัยบู์อาพี่ปุณโนท่านสามารถติดตามรับฟังได้ที่เว็บไซต์ของมูลนิธิคือปัญญา .org e a n y a .org หรือว่าในระบบพอดแคสต์มี Spotify พลตฟอร์มหรือว่า Apple p o พอดแคสต์เป็นต้นแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จุริงบอน